อดี๋ยวเรื่องสอนแนะนำทุกคนเนาะเมื่อกี้พระจัง์ตุมก็นำพวกเราสวดธรรมจักรกระปะวัตนสูตรเนาะเป็นเรียกว่าเป็นพระสูตรแรกนะเป็นคำสอนแรกของพระพุทธเจ้านะที่สอนปัญจวัคคีนะปัญจวัคคีคือหมู่ สองห้ารูปนะอ่าเป็นบวดเป็นผสมชุดแรกนะของพระพุทธศาสนาอนะ <c oughs> ัตอมากับพระจันทรุ้มแล้วก็มีมีคณะนะก็พึ่งไปไปอินเดียเนปาลสังเวนะมาก็พึ่งผ่านป่าอิสิปตนะมฤคธายวันนะที่สวดเมื่อตนะคู่นะเมื่อวันศุกร์นเองนะก็พึ่งกลับมาเมื่อวันศุกร์ ก็ก็ะ ล, ลึกถึงนะสถานที่นะร ล, ลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านะอย่างวันที่ไปนะก็ระ ล, ลึกถึงที่ที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมนะพระสูตรที่สำคัญก็ที่เรารู้จักนะป่าอิสิปตนะมฤคทายวันนะสอน นะธรรมจักรวัฒนสูตรนะที่เราสวดนั่นแหละนะแต่ก็มีพระสูตรหนึ่งที่สําคัญอีกก็คืออนัตตลัคณสูตรนะเป็นพระสูตรที่ทําให้เป็นจวักคีมนุษย์เป็นพระอาหารหันต์นะเหมือนธรรมจักรเนี่ยเหมือนปูพื้นฐานนะให้เห็นว่าทางสุดโตงนะมันมีสองทางนะทางหนึ่งเนี่ยคือการ เนียว่าการมาสุ ข, ขานิการนโยก ค, คือการผัวพันอยู่ด้วยความความสุขพูดง่ายๆก็ได้นะก็คือการติดสุขนะติดสุขแบบแบบคนทางโลกนะ ก, ก็เกษสรความสุขนะทางตาหูจมูกลิ้นกายนะหรือความสุขนะที่มาละเอียดขึ้นก็เป็นความสุขจากสมาธินะ จากบุญกุศลนะก็เป็นความสุขนะซึ่งมันก็ทาให้คนติดเหมือนกันนะเหมืนอนบางคนทาบุญหวังว่าจะได้ก็จะได้มีความสุขนานๆ น, นะหรือว่าเกิดในที่ที่มีความทุกขไม่ลำบากนะมันก็คือความสุขหรือแม้แต่การทำสมาธินะมันมีความสุขปิตินะเกิดขึ้นมาหรือว่ามีความสงบเกิดขึ้นมา ติดในความสุขนั้นอันนั้นก็ถือว่าเป็นการมาสุดขา้ิการนโยโย่ที่ละเอียดขึ้นนะคือหลายหลายคนที่ทแสวงหานะความสุขนะก็บางทีก็ไปติดสุขนะติดสุขก็เยอะหรือบางคนก็คิดว่าต้องทรมานตนนะให้ลำบากนะเป็นเรียกว่าเป็นการบางเพ็ญทุก นคะารักกิริยาคือก็น่าสนใจนะแม้พวกเราเคยได้ยินเนาะัญญาโกธัญะนะถ้าเป็นพาราหม์หนุ่มที่ที่ทำนายลักษณะของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนที่ท่านเกิดนะ่นะในเจ็ดวันก็เชื่อว่าน่นะ่นะพระโอรสนะของพระเจ้าสุดทธนะเนี่ยต้องเป็นพระศ า, าสดาเอกของโลกแน่นอนนะท่าน เรียนโหราศาสตร์มาท่านมั่นใจว่านี่แหละจะเป็นศาสดาของโลกพอพระพุทธเจ้าออกบวชเนี่ยอัญญาปฎิญญา น, นี่ออกบวชตามเลยชว น, นชวนพามที่เป็นเหมือนคล้ายๆรุ่นหลานก็ได้นะที่เป็นที่เป็นลูกเป็นหลานของพามที่ทำนายลักษณะพระพุทธเ จ, จ้าด้วยกันออกบวช แต่เขไม่ได้ออกบวช ท, ท, ทุกคนก็ออกบวชแค่สี่คนก็ตามอัญญาโกธัญญะมาก็น่าสนใจนะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนคมเชื่อว่าจะพ้นทุก์ได้ต้องต้องทําให้เป็นทุกสุดๆนะต้องเรียกว่าบำเพ็ญทุกขะละกิริยาเป็นจักรวิคีก็ดูแลพระพุทธเจ้าอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าตอนที่บำเพ็ญทุกขะละกิริยา แต่พอพระพุทธเจ้าคิดว่าท่านท่านตะหนักรู้แล้วว่าทุกขละ ก, กิริยาเนะเราทำถึงที่สุดแล้วก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์นะพระเจ้าก็เปลี่ยนคิดว่ามันต้องมีทางสายกลางนะทางที่ไม่ใช่สุดตรงนะสันสองด้านก็กลับมาคิดจะทานอาหารคิดจะทานน้ำไม่บังเพินทุกขละ ก, กิริยาแล้วนะ ัญญาปวทัญญาขนาดทํานายเองว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเนี่ยยังหนีออกมาเลยนะคือบางทีความเชื่อที่มันฝังลึกมากว่าจะพ้นทุกข์ไดต้ต้องทําทําทุกข์ให้มันสุดๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่บูกฝังอยู่ในหมู่ฤาษีหรือในหมู่ที่ผู้บาเป็นเพียรนะจะพูดง่ายๆว่า อ, อสมัยก่อนในพุทธการสมัย อ่อเนี่ยมันมีทางอยู่สองทางอะไรนะพวกหนึ่งก็เสพสุขให้มันสุดๆนะพวกหนึ่งก็บําเพ็ญทุกขให้มันสุดๆนะคิดว่าสุขสุดๆแล้วก็มันจะสุขตลอดกาลนะหรือว่าทุกขสุดๆแล้วแต่มันจะคนทุกขของมันเองนะคนก็เชื่อทางเลยรนะพระเจ้าเป็นผู้ค้นพบทางสายกลางนะทางสายกลางแปลว่าไม่ใช่แปลว่า หย่อนตรงกลางระหว่างสุขกับทุกข์นะไม่ใช่นะแต่ทางสายกลางคือทางที่ไม่ติดสุขไม่ติดทุกขนะ์เนี่ยคือมันมันเป็นทางที่ไม่ใช่แต่ว่าอยู่ตรงกลางระหว่างการเสพสุขหรือการบำเพ็ทุกข์นะแต่มันเป็นทางที่เรียกว่ามันเป็นการเจริญสีนสมาธิ ป, ปัญญาเนาะทางสายกลางคือตรงนี้คือ การเจริได้วยศีล น, นะมีศีลคือข้อปฏิบัติฝึกหัดตนทางกายวาจานะให้เกิดความเรียบร้อยให้ไม่เบียดเบียนตัวเราเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นอืมเป็นการทำสมาธินะแต่ทำสมาธิไม่ใช่ทำให้จิตสงบแบบไม่รับรู้อะไรนะนะไม่ใช่ติดในฌาน จะทำสมาธิให้จิตมีประสิทธิภาพนะให้จิตมีกำลังนะให้จิตตั้งมั่นนะเป็นการเจริญปัญญาคือทำความเข้าใจขันห้านะทำความเข้าใจขันห้าว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างไรนะคือการเจริญปัญญาตัวนี้นะซึ่งการที่จะคําสอนหรือว่า คนที่เข้าใจว่าขันห้าไม่ใช่เราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่มากนะคือคนถ้าไม่ติดในว่ารูปเป็นเราก็ติดว่านามคือจิตใจมันเป็นเรานะมันมีความเป็นเราที่ที่ยึดติดในชาตินี้ก็ดีหรือมีความเป็นเราที่มันยึดติดข้ามพบข้ามชาติก็ดีนะมันมันฝังแน่นมากนะความเป็นเราเนี่เป็นเันสิ่งที่ยากมากที่จะ ที่คนจะเข้าใจว่าสภาวะที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเนะี่ยมันคืออะไรนะพระพุทธเจ้าท่านมาทำลายทําลายเรียกว่าอัตตามานะของสัตว์ทั้งหลายก็ตรงนี้แหละนะที่คําสอนที่แตกต่างจากลัทธิความเชื่ออื่นจริงๆคือเรื่องความไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยนะนะในลัทธิอื่นเนี่ยคือมันมีเรื่องความสุขความทุกข์นะ มันมีเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันก็ยังแฝงความเป็นเราอยู่นะเราเป็นผู้มีความสุขเราเป็นผู้มีความทุกข์นะเราเป็นผู้บาเพ็ญเพียรเราเป็นผู้อะไรก็แล้วแต่นะมันยังยังสอนไม่ถึงการทะดุถึงความไม่มีเราที่แท้จริงไอ้ตรงนี้แหละนะคือตัวบัญญาที่ ที่นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายออกจากความทุกข์ตรงนั้นจริงๆนะมีมีบางคนก็ถามพระพุทธเ จ, จ้านะมาว่ามาก็ชอบคาตอบหนึ่งนะพระพุทธเจ้าท่านท่านก็ไม่ได้ตอบอธิบายทั้งหมดนะแต่ท่านยกเป็นอุปมาอุปไมยให้ดนะูอย่างเช่นบางคนถามว่าเนะี่ยพอเราปฏิบัติแล้วนะเราถึงนิพพานแล้วจะไปไห น, ไหนนะ่ง พระเจ้าก็ยกตัวอย่างมาสมมติเทียนเวลามันเราจุดจนมันหมดเชื้อนะแล้วไฟหรือว่าควันนะมันไปไห น, นะ <c oughs> มันก็ตอบไม่ได้เนะเออไม่ใช่ตอบไม่ได้จะตอบก็ได้นะแต่มันก็เข้าใจโดยโดยสัจธรรมว่าโอ้มันก็ไม่ได้ไปไหนนะมันหายก็ไม่ใช่หายแบบหายศูนย์ไปเลยนะ แต่มันหายเพราะว่าเหตุปัจจัยมันไม่มีเนาะเตียนจะมีแสงจะมีควันหรืออาจจะมีกลิ่นด้วยนะเพราะว่ามันยังมีมีไข่นะมันยังมีไส้เนาะมันมีประกายไฟที่เป็นจุดทาให้เกิดตรงนั้นเพราอมันไม่มีไข่ไม่มีไส้แสงมันก็ดับไปเนะ มันก็หายไปของมันตามธรรมชาติเนะหรือถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คล้ายๆว่าธาตุทั้งสี่มันก็คืนสู่ธรรมชาตินะธาตุของรูปนะคือดินน้ำลมไฟก็ก็กลับคืนสู่ธรรมชาตินะมันก็หมุนเวียนไปแบบนั้นแต่ธาตุของจิตเนี่ยมันก็มีนะถ้าจะพูดง่ายๆก็ได้นะว่า เป็นธาตุรู้กับธาตุหลงคือคนที่ยังหลงอยอะก็อาจจะยังมีธาตุหลงที่มันยังติดนะด้วยอวิชชานะอวิชชาแปลว่าหลงก็ได้แปลว่ารู้ไม่จริงก็ได้นะแปลว่าไม่รู้ความจริงก็ได้นะอวิชชาเนี่ยมันติดนะเป็นธาตุของจิตนะจิตมันติดด้วยความเป็นธาตุของอวิชชาเนี่ยนะโดยเฉพาะอาวิชชาที่สําคัญบั่นหมายว่าจิตมันเป็นเราเป็นของของเราเนะี่ย มันเลยยังทําให้เรายัางยึดติดในบุญในบาปในกรรมที่ทําเยอะนะแต่วิ ช, ชาเนี่ยมาทําให้เราถอนความยึดติดในบุญในบาปในกรรมนะอือคือมันมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะเออที่คนจะละนะคนเราอยากจะละบาปนะแต่อยากสะสมบุญใช่ไหมอือเรายัางเราไปแก้กรรมนะ เน้นแก้กรรมไม่ดีนะแต่ก็อยังยึดติดในกรรมดีนะมันก็เป็นเรื่องยากที่คนเราอยากจะทิ้งอย่างหนึ่งนะแต่ก็ไปติดอย่างหนึง่งแต่การติดแม้แต่ความดีแม้แต่บุญกุศลมันก็นําไปสู่การเกิดเป็นภพชาติอยู่พระเจ้าท่านให้เราละทั้งสองทางนะคําว่าละในที่นี้ไม่ใช่แปลว่าไม่ทําดีนะแต่ละการไปยึดติดนะในผล ที่มันเกิดขึ้นมาในอา น, นิสงส์ต่างๆเนี่ยคือถ้าถ้าเราจะไฝ่ที่จะพ้นทุกข์จริงๆนะนะมันต้องละทั้งหมด <c oughs> บุญก็ทำไปตามหน้าที่นั่นแหละนะแต่ไม่ได้ทำเพื่ออธิษฐานอะไรนะถ้ายังทำบุญแบบอธิษฐานยังเป็นคนชอบขออยู่นะมันก็มันก็ยังยติดอยู่ในผลของบุญอยู่อืมแต่ถ้า คำว่าอธิษฐานจ ร, จริงแปลว่าปัดแปลงว่าตั้งจิตตั้งมั่นเนาะตั้งจิตตั้งมั่นเช่นพระพุทธเจ้าตอนจะตัดสรูนนะท่านตั้งจิตอธิษฐานนะแต่ไม่ได้ขอนะท่านบอกว่าแม้เลือดเนื้อเหงื่อเอ็นของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามนะตาบใดถ้าเรายังไม่บรรลุนะพระสัมมาสัมโพธิญาณเราจะไม่ลุกจากภัศนนี้คือตั้งจิตแน่วแน่เลยว่า จะตายก็ตายจะเป็นอะไรก็เป็นเนาะจะบำเพ็ญเพียรจนเนี่ยแหละบรรลุธรรมแต่นั้นคือท่านมั่นใจแล้ ว, ว่าเนี่ยทางที่ท่านแต่ตอนนั้นมันยังไม่เป็นการพบเนาะแต่รู้สึกว่ามันเป็นการประสบการณ์ลองลองทั้งบำเพ็ญสมาธิจนได้สมาธิขั้นสูงอรูปฌานก็นทำมาแล้ว บาเพ็ญทุกคะกิริยาก็สุดๆดแล้วไม่มีใครสุดกว่าท่านแล้มีประสบการณ์ที่สุดโต่งทั้งสองด้านชัดเจนแะ้วเชื่อมั่นแล้วว่าทางตัวนี้แหละเป็นทางที่จะทําให้ท่านเป็นสัมมาสัมโพธิญาณได้นท่านมั่นใจนะมั่นใจแต่ยังไม่ใช่แปลว่าเห็นนะมั่นใจว่าทางนี้ใช่แน่นอนท่านก็ได้ทํำนะเรียกว่าทําจนยอมตายนะ แม้เรื่องเนื้อเหนื่อยเอ็นจากเหงื่อยแห้งไปก็ตามเนี่ยขอบรรุทธรรมแน่นอนก็บรรุทธรรมจริ ง, รงๆเพราะอะไรรรุษย์ในการบำเพ็ญศีล ธ, ธรรมาริปัญญานเนี่ยแหละนะแล้วก็สอนนะโดยเฉพาะมันเป็นการเปลี่ยนนะเปลี่ยนให้เกิดสัมมาสามมาทิฏฐินะเกิดความเห็นชอบนะเปลี่ยนทั้งหมดนั่นแหละนะ ฟันยากรทัญญาท่านก็เห็นนี่แหละสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงก็มีความดับไปเป็นธรรมดาที่จริงเราก็เห็นบ้างนะใช่ไหมความคิดเกิดแว บ, บขึ้นมานะความคิดก็ดับไปอารมณ์นะสารพัดที่มันเกิดขึ้นภาในจิตนะทุกๆวันนะ่ะอารมณ์นั้นมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะ หรือแม้แต่อาการของกายก็ดีนะอาการมันก็เกิดขึ้นเวทนาก็เกิดขึ้นอีจาบดมันก็เกิดขึ้นนะมันก็เกิดแล้วก็ดับไปทั้งนั้นเลยนะแต่เราดูตรงเนี้ยบ่อยๆนะเพื่อให้จิตเ้าสะสมความเข้าใจตรงเนี้ยอะไรนะดูสภาวะที่มันเกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะการเจริญสตินะ การสร้างตรู้เพื่อรู้สภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของทุกสภาวะไม่ว่าสภาวะนั้นเราจะแยกว่ามาเป็นอกุศลเป็นกิเลสหรือเราจะบอกว่าเป็นกุศลเป็นบุญเป็นธรรมะหรือสภาวะที่เป็นกลางกาไม่จำแนกเป็นอกุศลหรือกุศลก็ดีนะทุกสภาวะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะ ผู้ที่จะเดินสติปฐานจริงๆคือดูแบบแบบนี้แหละนะกุศลหรืออกุศลนะมีค่าเท่ากันในการเจริญสตินะกุศลอกุศลหรือเป็นต่างๆนะมีค่าเท่ากันคือเพียงแค่แค่รู้อย่างที่มันเป็นนะแต่ถ้าเรายังมีความพอใจมีความไม่พอใจนะมันจะเกิดความรู้สึกต่อต้านต่อต้าน ความคิดการมณมที่มันไม่ดีที่ไม่ชอบนะมันจะเกิดความต่อต้านสังเกตไหมเวลาคิดขึ้นมาแล้วแบบที่อ่าบางบางทีมันจะมีลึกๆข้างในบางทีก็จะต้านข้างในคิดอีกแล้วนะคิดทําไมทําไมเป็นแบบนี้มันจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจข้างในนะแป๊บหนึ่งที่จริงบางทีก็ห้ามไม่ได้นะจำแป๊บหนึ่งถ้าเราสติรู้ทันเอาอ๋อมันเห็นละเห็นแล้วจิตมันต้านเนาะ ที่จิงิตมันต้านมันก็ต้านของมันเองนะก็บังคับไม่ได้นะแต่มันยังมีเชื้อของความไม่ชอบเนี่ยอันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่อยากได้มันเกิดความรู้สึกข้างในที่มันไม่ปกติหรือเกิดความด้านที่มันชอบขึ้นมามันก็จะเกิดความรู้สึกมันจะมีความพอใจมันจะมีความพยายามรักษามีความปกครองไว้นิดๆซึ่งตรงนี้ก็จะดูยาก บางทีมาว่าเวลาเราปฏิบัตินะี่ยเวลาเราเห็นอาการที่มันไม่ชอบอาการที่มันต้านอะไรเนะี่ยอาจจะเห็นง่ายแต่อาการที่มันชอบมันเข้าไปอยู่มันเข้าไปประคองไว้เนะี่ยจะเห็นยากเห็นยากกว่านะไม่ใช่เห็นยากขนาดเห็นไม่ได้นะแต่มันจะยากกว่าเพราะเหมือนพอเราชอบสิ่งไหนเนะี่ยจิตมันจะจะน้อมเข้าไปอยู่ในสิ่งนั้นมันมันก็จะละเอียดขึ้นนะคือ แต่ถ้าเราฝึกสติจริงๆเราจะฝึกให้รู้ทันตอนนี้เนาะมีสติรู้แล้วว่ามันเกิดอาการขึ้นมาแล้วก็มีสติตามรู้ต่อว่ามันเกิดความชอบหรือไม่ชอบในสิ่งนั้นขึ้นมาสติก็จะทำหน้าที่รู้เท่าทันนะเมื่อเรารู้เท่าทันได้ใจที่เป็นกลางรู้ซื่อจริงๆเนะี่ยมันจะไม่เข้าไปอยู่ในอาการ มันจะไม่เข้าไปยึดในความชอบหรือความไม่ชอบในอาการนั้นสภาวะที่รู้มันจะเป็นสภาวะที่มันเป็นอิสระไม่ได้เข้าไปอยู่ในอาการต่างๆมันจะรู้สึกได้วอ๋อสภาวะเนี่ยคือสภาวะที่มันเป็นเป็นอิสระนะอิสระในที่นี้ไม่ใช่แปลว่าจะทำอะไรก็ได้ แต่อิสระคือการที่มันไม่ได้เข้าไปอยู่ไม่ได้เข้าไปเป็นนะไม่ได้เข้าไปรวมนะกับอาการที่มันเกิดขึ้นนี่นคือมันเป็นอิสระมันรู้สึกว่ามันมันคือความพ้นจากจากการเข้าไปยึดติดถือมั่นก็ได้นะพอเร า, เาพอเราเห็นในอ๋อสภาวะตวนี้คือจะว่ามันเป็นทางสายกลางก็ได้นะ เป็นทางที่เราไม่ไปติดในความสุขในความทุกข์อย่างที่พระเจ้าสอนเลยนะคือทางที่ไม่เข้าไปติดในการมัสุคาด้วยการนโย ค, คือความพอใจในรูปในนามแล้วก็ไม่ไปผักใสความทุกข์ของรูปของนามไม่ไปติดแล้วก็ไม่ไปผักใสอาการต่างมันเพียงแค่รู้เห็นอาการต่างๆก็แค่เกิดขึ้นตั้งอยู่ แล้วก็ตัดไปนะไม่ว่ากุศลออกุศลนะมันก็เป็นแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นตัวตนนะที่มันหมุนเวียนแสดงเนาะตอนที่เราหลงนะมันก็จะมีตัวเรานะเข้าไปเป็นเข้าไปยึดต่างๆแต่พอเห็นมนะันจะเห็นวนะ่าออการคลายของตัวตนนะพอเห็นนะมันจะเกิการคลายออพอหลงเนะี่ยเกิดเป็นตัวตนขึ้นมาปรุงแต่งนะถ้าเปรียบเทียบเหมือนคล้าย จะไมอาจจะมันจะช้าหน่อยอย่างเช่นเวลาเราน้าําแบบนี้นะเราจะทํำเป็นรูปเป็นร่างเนมาเห็นเห็นโยมเขาทาน้ําแข็งเนาะเดี๋ยวนี้มันมีรูปทรงไอ้ที่ทําน้ําแข็งหลายทรงมากนะสี่เหลี่ยมหัวใจอะไรสามเหลี่ยมโอ้เนี่ยมันเป็นการสร้างสร้างพบชาจากน้ําที่มัน มัน ไ, ไม่ได้มีรูปร่างนะแต่พอเรามีบล็อกมาใส่เป็นน้ําแข็งมันก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอาการที่มันเกิดขึ้นในจิตก็เหมือนกันนะจากที่มันไม่ไม่มีตัวตนจริงๆนะแต่เราก็มาสร้างเป็นตัวตนเป็นอาการต่างๆนะเป็นเราเป็นของของเราขึ้นมานะแต่ถ้าเราปล่อยนะหรือเราเอาน้ําแข็งนั่นแหละมาผสมกับน้ําธรรมดาเนะี่ยมันก็แยกไม่ออกละระหว่าง น้ำแข็งเมื่อสักครู่นี้กับน้ําที่เราเทใส่นะมันก็รวมไปเป็นหนึ่งเดียวกันอาการโดยธรรมชาติก็แบบนั้นไอ้ที่มันเคยเป็นตัวตนนะเป็นเราโกรธนะแล้วมันหายไปไหนอ่ะมันเหมือนกับน้ําแข็งที่มันละลายไปกับน้ําสักพักหนึ่งอ่ะมันหายไปของมันแต่สภาวะที่มันละลายมันหายมันเร็วกว่านั้นมากขณะที่รู้เนี่ยมันหายปั๊กทันที แต่การละลายของน้ำแข็งอาจจะใช้เวลาเป็นหลายนาทีนะกว่าจะหายไปจิตของเราก็เหมือนกันเวลามันเกิดตรวตนขึ้นมาพอมันรู้ทันมันหายไปไหนมันก็หายไปสู่ธาตุโดยธรรมชาติธนะาตุดินน้ำลมไฟบ้างธาตุวิญญาณธาตุคือการการรู้บ้างเนี่ยคือมันหายไปของมันโดยธรรมชาติจิตนะมันก็จะ คืนไปสู่ธรรมชาติของจิตนะเป็นวิญญาณธาตุเฉยๆนะไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นเราที่รู้ไม่ใช่เป็นเราที่หลง <c oughs> รูปก็เหมือนกันนะไม่ใช่เป็นเรานะแต่เป็นเพียงธาตุสี่นะดินน้ำลมไฟนะโดยธรรมชาติอันนี้แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนาะ <c oughs> เราก็บางคนก็อาจจะเคยไปเนาะมีใครเคยไป สังเวบ้างไหมหลายคนนะไม่เคยไปก็ดูเนี่ยที่ตัวเราเลยนะบางทีไปก็เหมือนไปเที่ยวยองไม่ได้ไปคือไปดูไปดูสถานที่นะไปดูสถานที่ไปฟังคนเขาเล่าประวัติความเป็นมานะแต่การฝึกาทารธรรมะจริงๆเนี่ย มันไม่ใช่ที่สถานที่มันไม่ใช่ประวัติความเป็นมาด้วยแต่เป็นการเอาธรรมะออกมาปฏิบัติถ้าไปเพื่อน้อมนำธรรมะมาสู่การปฏิบัติอันนั้นได้ประโยชน์หรือไม่ได้ไปนะแต่น้อมเอาธรรมะมาสู่การปฏิบัติก็เข้าถึงเหมือนกันมีมีที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานนะ พอพระเจ้าจะไปรินิิพานเนะี่ยหลายคนทั้งพระทั้งโยมนะก็เสียใจมากนะมีพระรูปหนึ่งนะท่านก็รู้สึกว่าสังเวทเหมือนกันว่าพรเจ้าจะไปลินิพานแล้วท่านจะไม่อยู่แล้วพอท่านคิดได้อยางงั้นนะท่านตาปราพระเจ้าออกไปเข้าป่าคนก็ตาหนิท่านว่าอะไรทำไมพระเจ้าจะไปลินิพานนะทำไมหนีออกไป ทำไมไม่อยู่ส่งพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปตาหนิท่านสิ่งที่ท่านทํำอะ่ะดีแล้ว <c oughs> คือท่านคิดว่าแบบพระพเจ้าใกล้จะไปลิขิตผ่านละเราเองยังไม่บรรลุธรรมอะไรเลยนะไปเด้งทาความเพียรดีกว่าไม่ใช่การไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าคือการอยู่ใกล้ในการปฏิบัตินะแต่พระพเจ้าท่านสรรเสริญผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั่นแหละ จะอยู่ใกล้ท่านก็ดีนะหรือว่าไม่อยู่ใกล้ท่านก็ดีนะแต่ถ้ามุ่งที่จะปฏิบัติธรรมนีะนะนะพระเจ้าท่านสรเสริญมากเลยท่านบอกว่าอืมดีแล้วนะท่านไปทำความเพียร น, นะดีแล้วนะไม่ต้องการอยู่ใกล้เราการไม่อยู่ใกล้เราไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะท่านก็ไปทำความเพียรจนเป็นพระอรหันต์ทานก่อนที่พระเจ้าจะปฏิพญาได้เหมือนกันนะคือด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะ ตั้งมั่นว่าเออเวลาของพระเจ้ามีน้อยแล้วนะเวลาก่อนนั้นอาจจะคิดว่าโอ้พระพุทเจ้ายัางอยู่เนาะก็อาจจะทำความเพียรบ้างไม่ทำความเพียรบ้างนะเหมือนกับหลายคนนะก็คิดว่าครูบาอาจารย์ยังอยู่นะหรือวัดก็ยังอยู่นะธรรมะจะฟังเมื่อไหร่ก็ได้นะปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้นะก็เลยยังประมาทนะ และสิ่งที่พระเจ้าสอนทำไมสุดท้ายท่านสอนเรื่องความไม่ประมาทนะเพราะว่าคนเราประมาทประมาทเพราะว่าเราคิดว่าเรารูแล้วอันนี้สำคัญเลยนะเราเป็นคนไทยเราเคยฟังมาเยอะหรือเรามีหนังสืออ่านมาเยอะเรารู้แล้วนะประมาทว่ารู้แล้วเนี่ยน่ากลัวที่สุดเลยนะเพราะว่าพอดูแล้วนะมันจะ มันจะไม่ทำแต่ถ้าดูแล้วก็ามาทำเนี่ยดีนะแต่ถ้าดูแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวทาเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยมันจะเหมือนเราเหมือนเราก็จะไม่ไม่ใช่เนาะเหมือนหลายหลาอย่างนะเรามีแล้วเนี่ยบางทีเราจะไม่ค่อยสนใจนะอย่างเช่นบางคนชอบซื้อหนังสือเนาะเนี่ยซื้อมีแล้วนะ แต่ก็ไม่ได้อ่านมีแล้วเดี๋ยวอ่างเมื่อไรก็ได้นะเสื้อผ้าก็พอใจตอนที่ได้ซื้อนะสมมตินะคือมันมีแล้วนะมันเป็นของของเราแล้วแต่ของมันไม่ใของจริงอ่ะการรู้น่ยไม่ใช่ของจริงการรู้ธรรมะหรือการมีสิ่งของถ้าเราไม่เอามาใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าก็เลยเนี่ยเรื่องความไม่ประมาทเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือ เราจะตายวันนี้ก็ได้นะอีกไม่นานจะตายก็ได้นะทาที่เราทาตอนนี้นะมันเป็นสิ่งที่เรามีเวลาไม่รู้เนาะกี่วันกี่เดือนกี่ปีทำเถอะวันทีชาติหน้าของเรานะไม่แน่มันอาจจะเกิอดอีชาติหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมเนี่ยอาจจะพ้นสมัยที่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้นะ บาอทีเราเกิดเอาง่ายๆถ้าเราไปเกิดอยู่สมมติเทวดาเนาะหลายคนใจบุญเป็นเทวดาแต่ไปเกิดเป็นเทวดาอาจจะไม่ได้ฟังธรรมก็ได้นะหมดจากบุญของเทวดาของนางฟ้ากลับมาบนโลกมนุษย์ก็อาจจะมีสงครามโลกครั้งที่ห้าครั้งที่หกแล้วก็ได้นะเออไม่มีพระอยู่สอนธรรมะรอดูสอนก็สอนผิดผิดเพี้ย น, น, นไปแล้วก็มีนะ มันก็ยากนะที่เราจะรู้ทำได้เองนะถ้าเราไม่ตั้งจิตที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเองก็ดีไม่ตั้งจิตจะเป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าเองก็ดีนะปัญญาที่จะรู้ทมเองด้วยความเป็นสาวกภูมเนี่ยยากมากเพราะว่าหนึ่งความความหลงเนาะมันเยอะนะคนที่สอนกันส่วนใหญ่ก็สอน ในทางหลงเยอะไม่ใช่แปลว่าไม่หวังดีนะบางทีก็หวังดีก็คิดว่าเหมือนแบบเนี้ยมันเป็นความสุขนะทางโลกเอาเลยนะหรือความสุขในสมาธิก็คิดว่ามันดีแล้วนะก็ติดเลยนะไม่ใช่แปลว่าไม่หวังดีนะใช่ไหมเหมือนญาติของพวกเราหลายๆท่านนะเช่นก็พอใจในความสุขทางโลกนะหรือแม้แต่ในทาง ธรรมะบางทีก็ติดในความสุขของสมาธิก็เยอะนไปบําเพ็ญทุกโดยไปปฏิบัติรรทำทําไมนะมันทุกข์ใช่ไหมมันก็ยากนะที่จะคนที่จะปฏิบัติแล้วก็พลทุกจริงๆนะนั้นในอนาคตเนี่ยิ่งจะยากไปใหญ่ที่จะมีคนที่จะสอนคนที่จะปฏิบัติในทางตรงนี้ น, ะนั้นชีวิตถ้าว่าเป็นจริงนะชาติหน้านี้ก็ประมาทนะที่จะเรา จะเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้นะในเกิดยุคไหนก็ไม่รู้นะจะมีคนที่สอนตรงนี้หรือเปล่าจะมีคนที่ปฏิบัติตรงนี้หรือเปล่าเราเองจะทำได้เองจริงหรือเปล่าไม่แน่นอนเลยนะแต่เงื่อนไขมันก็อยู่ที่ตัวเราที่จะทำในชาตินี้แหละให้ดีที่สุดมาว่านนะเรายังรู้สึกว่าคนไทยห ล, หลายๆคนก็ยังโชคดีที่ที่เราแม้ไม่ใช่ เป็นดินแดนที่พระพุทธเจ้าท่านประสูติ ต, ตรัสรู้วรินิพานแต่คาสอนที่แท้จริงที่พระเจ้าสอนมาว่ามาเชื่อมั่นว่าครูบาอาจารย์ในเมืองไทยเนี่ยหลายรูปหลายสำนักท่านสอนทางตรงนี้อยู่ชัดเจนแบบไม่ผิดเพี้ยนมาเชื่อมั่นอย่างนี้เลยแต่ถ้าเราได้ไปเห็นในหลายที่ไปดูวิธีการหลายๆอย่างบางทีเราก็ ก็น่าเห็นใจว่าคำสอนในหลายอย่างวิธีการในหลาอย่างอะ่ะบางทีเราจะไม่เข้าใจทั้งหมดเนาะแต่ดูๆไปแล้วมันก็เป็นทางที่ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เออมันยังมีพิธีกรรมเยอะนะหรื อ, อยังเน้นรูปแบบเน้นอะไรหรือเป็นทางที่ค่อนข้างไปในทางมุ่งวิสูน์แต่สมาธิ่เนะียก็เยอะหรือเป็นความเรียบร้อยสวยงาม ก็เยอะนะเป็นอิทธิฤทธิปฏิหารเป็นอะไรก็เยอะซึ่งตัวแก่นของครววายจารย์ก็อาจจะมีอยู่บ้างแต่ก็ยากที่คนจะเข้าไปถึงแก่นนะถ้าเปรียบเทียบเหมือนคล้ายๆเหมือนสมมติสมมติแบบมเมล็ดอะไรที่มันแข็งแข็งมากเนาะสมมติข้างในมันกินได้นะแต่เปลือกมันหนามากเนี่ยหรือว่าเปลือกมันหนามาก มเมล็ดอยู่ข้างในเวลาบางคนเอาไปปลูกนะถ้าไม่รู้จักวิธีกระเทาะเปลือกข้างนอกก่อนเนี่ยก็นานมากนะกว่าจะเกิดเช่นมะข่าไปเนาะถ้าแบบเอาไปฝังดินเลยเนี่ยนานมากนะกว่าจะเป็นต้นมะข่าแต่ถ้าคนรู้วิธีที่จะกระเทาะเปลือกข้างนอกออกมาเนี่ยก็เพาะมะข่าออกมาได้ไม่นานนักนั้นทุกแบบหลายๆวิธีเนี่ยอืมมันก็เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจว่า กว่าคนจะเข้าไปถึงแก่นจริงๆเนี่ยบางทีมันยากแต่มาก็เชื่อว่าในเมืองไทยเราเนี่ยก็ที่สอนเรื่องการมีสตินะเกิดนะให้เกิดปัญญาขึ้นมานะมาว่างเป็นทางที่ที่ตรงนะเป็นทางตรงนะเดาไม่ต้องไปสงสัยมากหรอกว่าที่จริงการปฏิบัติธรรม การจะศึกษาทํารมะจริงๆบางทีโยมไม่ต้องไปเรียนบาลีให้มันรู้พระไตรปิฎกก็ได้ไม่ต้องไปรู้คําสอนแต่ใดายทศสูตรของพระพุทธเจ้าก็ได้ในสมัยพุทธกาลเองนะมีผู้ที่จะรู้เยอะๆจริงๆไม่เยอะหรอกอ่คนที่รู้จริงๆคือบางทีเขาฟังคําสอนพระพุทธเจ้าครั้งสองครั้งเอาไปปฏิบัติตรงนั้นแหละมันครบของเขาเองน่ะ ที่มารวบรวมเป็นพระสูตรต่างๆเป็นพระไตรปิฎกเนะี่ยคือผู้ที่อาจจะอยู่ใกล้ชิดหน่อยก็มารวบรวมจริงๆแต่พระเจ้าทัานสอนพระสูตรหนึ่งเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ได้ทั้งชีวิตเลยนั้นพระหลายๆรูปบางทีพบพระเจ้าแค่ครั้งเดียวท่านไปปฏิบัติสามารถบรรลุธรรมได้หรือบางคนไม่พบพร ะ, ะเจ้าเลยนะแค่ฟังคำสอนนั้นต่อจากเพื่อน ก็สามารถบรรลุทาไดนะ้นั้นที่จริงความรู้อย่างที่ว่านะความรู้ของพวกเราเนี่ยมาว่ามีเยอะพอสมควรอนะ่ะสิ่งที่สำคัญจริงคือเอาไปปฏิบัติดูเนาะแล้วก็มันอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะมีสงสัยบ้างไม่มั่นใจบ้างนะค่อยๆสังเกตดูค่อยๆสังเกตดูว่าถ้า หมายว่าสังเกตดูตรงนี้ก็ได้คือขนาดที่ที่ตรงนั้นน่ะมันมีสติที่จะรู้ตัวอยู่หรือเปล่าเนาะอย่างบางทีบางคนเวลาจิตมันสงบมันอะไรน่ะบางทีมันจะดงเข้าไปในโมหะของความเหมือนมันเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนเนี้ยก็เยอะนะอแล้วต้องปลุกตัวตื่นให้มันชัดขึ้นมาเหมืนี้เนาะ เวลาจิตมันมีสมาธิมากบางทีมันเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือต้องอปลูกให้สมาธิมันเออไม่ใช่ปลูกให้สติมันเยอะขึ้นมานนี่คือเราก็ดูตัวเองว่าเออขณะนี้นมันมีสติรู้ตัวอยู่หรือเปล่าเนาะมันถูกอะไรครอบงําอยู่หรือเปล่าก็กให้เราสังเกตดูตัวเนี้ยนะเราก็จะเห็นเออมันเป็นแบบนี้เนา ะ, นะหรือแม้แต่ อาการของต่างๆเนี่ยเวลาถ้าเราเห็นจริงๆอาการมันเป็นส่วนหนึ่งอยู่หรือเปล่านะสติมันเป็นอีกตัวหนึ่งอยู่หรือเปล่าหรือตัวเราเข้าไปรวมอยู่ในอาการนั้นนะมันไม่เกิดการแยกขึ้นมาภาวนาจริงคือการแยกนะแยกแยกรูปแยกนามนะแยกธาตุแยกขันนะแยกอาการต่างๆแต่ไม่ใช่เป็นการแยกโดยการคิดเอานะแต่เป็นการแยกโดยการเห็น เห็นเป็นกองกองเป็นส่วนส่วนะแยกพอแยกขึ้นมาแล้วม <desserts> ันหาความเป็นเราไม่เจอนี่คืตรงนี้นะพระเจ้าท่านสอนนะแยกจนกระทั่งมันไม่ไม่เห็นความเป็นเรานะวิปัสสนาคือการแยกคือการถดถอยแงเนี้ยหละจนทั่งความเป็นเราอ่ะมันไม่เหลือนะมันแยกออกไปแยกออกไปแยกออกไปไม่ใช่เป็นการคิดแต่เห็นจนทั่ง มันเกิดความแยบคายในตอนนี้แหละนะนี่คือเราก็ดูตัวเองแบบนั้นปฏิบัติดูตัวเองแบบนั้นไปเรื่อยๆนะแต่มันยากตรงความขี้เกียจมันยากตรงความไม่ต่อเนื่องตอนนี้แหละสิ่งสาคัญนะของของผู้ปฏิบัตินะแต่ถ้าเราสามารถที่จะทําความเพียรให้มันต่อเนื่องได้นะขี้เกียจก็ปฏิบัติ ขยันก็ปฏิบัตินะบางทีบางทีขยันนะ่ะปฏิบัติแบบพิ้นเพี้ยนะขยันปฏิบัติจะเอาให้ได้จะด้ให้ได้นี่ก็เพี้ยนนะอืขี้เกียจก็ไม่ปฏิบัติเลยนะก็ปล่อยไปเลยนะก็ก็เนินช้านะทางสายการจริงคือการจะเรียกว่าเพียนด้วยความพอดีก็ได้นะคือเหมือน มีความขยันแต่มีความผ่อนคลายมาสึกคือคือเหมือนเราก็ปฏิบัตินะไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออวดใครไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออะไรนะแต่เืองแต่เรารู้สึกเลยว่าอืมขณะที่ทำความเพียรมีความผ่อนคลายอยู่ข้างในคือจิตใจไม่ไม่จริงจังไม่เคร่งเครียดนะแต่มีความผ่อนคลายมีความรู้ตัวนะในขณะที่ปฏิบัติอยู่น่ะคือเราสังเกตอ่เนี้ยมาว่า คือเป็นการในภาพปฏิบัติจริงคือเป็นการปรับเนาะปรับเหมือนความพอดีระหว่างความจริงจังกับความหย่อนไปเลยนะมันจะเกิดความผ่อนคลายแต่รู้ตัวนะเห็นทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงเนะี่ยก็ลองก็ลองไปทำดูเนาะก็วันนี้ก็จะได้ปฏิบัติกันเนาะ ก็ไม่ใช่แต่วันนี้เนาะก็ให้เราเอาไปปฏิบัตินในทุกๆวันนะทุกๆดฐานที่นั่นแหละนะเป็นการปฏิบัติบูบบชานะพระพุทธเจ้าเนาะอย่างมาก็สังเกตคนที่ไปไปสังเวยชนียสถานทั้งสีแห่งนะบางทีก็เน้นไปกราบไหว้บูชานะบางทีก็ ใน ไ, ไปเห็นก็ดีนะก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แต่สิ่งที่สําคัญคือการปฏิ บ, บ, บัติบูชาปฏิบัติบูชาเนี่ยที่ไหนก็ได้นะแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากว่าพระเจาท่านเสลิมฉลองคนที่ปฏิบัติบูชานะยิ่งกว่าการที่เป็นอามิทบูชาบูชาด้วยการกราบไหว้บูชาด้วยสิ่งของบูชาด้วยวัตถุข้างนอก แต่ปฏิบัติบูบบชาจยิงคือจะเรียกว่าอะไรยอมรับธรรมะทั้งใจอ่ะมันเป็อนอ ย, ย่างนี้ร น, นะคือยอมใจเราอ่ะศีลดราบต่อต่อธรรมะคำว่าศีลดาราบจริงๆคือการยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขนะ <c oughs> คือบางทีจิตอ่ะความคิดต่างๆมันยังมีเงื่อนไขยังบางทีมันยังติดอยู่เรื่อง ดีไม่ดีเหตุผลต่างๆเนี่ยแต่การยอมนับจริงจเนี่ยมันไม่มีเงื่อนไขนะมันยอมศีโลลาบต่อตรอธรรมะจริงจริงนะซึ่งเราก็ต้องดูต่เองเราจะเห็นเออการติดติดดีติดไม่ดีข้างในเป็นแบบไหนติดเหตุติดผลติดความชอบความไม่ชอบของเราเป็นแบบไหน แต่ทำมันจริงๆมันจะไม่มีการติดตรงนี้ละมันจะถอนความเห็นผิดนะถอนความยึดติดในความพอใจความไม่พอใจความดีความไม่ดีความมีเหตุความมีผลหรือไม่มีเหตุไม่มีผลหรือความชอบของเรานะจะดิดของเราอะไรต่างๆเนะี่ยมันจะไม่มีนะมันรู้อยู่ว่ามันเป็นแบบนี้แต่มันจะไม่ติดในตรงนั้นนะอันนี้คือ มันจะละเอียดขึ้ น, นเรื่อยๆเนาะอ่ะก็ฝากไว้เอ่อราไปก็ฟังมาก็พูด <c oughs> ปรับทิฏฐิปรับความเห็นไปเนาะแต่ก็แต่ตอนปฏิบัติก็ไม่ต้องเอามาคิดไม่ต้องเอาไปให้ครูนนอะไรนะให้ดูสภาวะนี่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของเราเนาะกายเคลื่อนไหวก็รู้นะ จิตเกิด อ, อะไรขึ้นมาก็รู้แต่ไม่ใช่เป็นการไปรู้แบบเราต้องไปภาคในใจว่าเรารู้อะไรไม่จำเป็นนะเพียงแค่รู้เฉยๆนะเช่นเดินเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกำหนดไปบริกรรมไปคิดในใจว่าเช่นเรากำลังเดินจะเป็นเท้าซ้ายเท้าขวาไม่ต้องนะเดินเพียงแค่ให้รู้ ไม่ใช่รู้ว่าเดินนะนะเดินให้รู้เคลื่อนไหวยกมือก็เปยนแค่ให้รู้นะไม่ต้องไปรู้ว่าเรากำลังยกมือเรากำลังพลิกมืออะไรนะการเคลื่อนไหวเป็นการปรับตัวรู้นะไม่ใช่เอาไปรู้สมมุติต่างๆนะนะี่คือนี่คือให้เห็นตรงเนี้ยนะไม่ใช่ว่าบางทีคําว่ารู้เ น, ะนี่ยบางที มันเป็นการเพียงแค่สักว่ารู้นะไม่ต้องไปรู้อะไรก็ได้นะแต่รู้อยู่รู้ตัวอยู่แค่นี้พอนะพยายามทำนียจะเป็นการรู้แบบรู้แล้วทิ้งมันถึงว่ารู้วลามันจบนะรู้ไม่ใช่การรักษาตัวรู้ไม่ใช่เป็นการประคองตัวรู้แต่เป็นการเหมือนรู้ใหม่เรื่อยๆรู้รู้สดสดรู้ใหม่ๆจบในทีละขณะ ทิ้งไปทีละขณะนะไม่ใช่เป็นการตั้งใจทิ้งนะแต่มันเป็นการเหมือนจบเป็นการเสร็จนะรู้แล้วก็เสร็จรแล้วก็จบในทีลกษณะเลยไม่มีไม่มีเราไม่มีหน้าที่ที่ต้องไปรักษาตัวรู้ไม่มีหน้าที่ที่ต้องไปประคองตัวรู้ไม่มีหน้าที่ต้องไปจะกาจัดตัวหลงอะไรเลยไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่เราเพียงแค่รู้นะ ส่วนมันจะกําจัดความหลงมันจะทิ้งมันจะเกิดขึ้นมาอะไรก็เรื่องของมันนะเราก็แค่รู้ไปเรื่อยๆเนะี่ยมันจบกิจที่ได้ยางนะจุดสังเกตในการปฏิบัติธรรมนะที่สำคัญคือการไม่ไม่เข้าไปแช่เนาะ <c oughs> ทีความหลงนี่มันจะทําให้เราเข้าไปแช่โดยเฉพาะถ้าหลงแบบหลงไปเลยนะั่นคือแช่ในความคิด <c oughs> แช่ในอารมณ์นะเวลามันคิดแล้วก็ปรุงคิดนะไปกับเรื่องราวที่คิดนะไปกับอารมณ์ที่มันที่มันเกิดขึ้นเนาะนะสุขบ้างทุกบ้างนะทีนะ่ หลงแล้วมันจะเข้าไปแช่นะตามนะคล้ายๆเหมือนกับเหมือนกับอะไรที่มันลอยไปกับตามน้ำนะน้ำจะพาไปทางไหนก็ลอยไปนะตามน้ำนะจิตนะให้ฝึกรู้ทันนะเวลาที่เราไหลไปกับอารมณ์นะไหลไปกับความคิดนะฝนะึกสติให้มันตื่นขึ้นอ้อ บางทีมันก็อาจจะเอะโฟนิดนึงนะโอ้หลงไปคิดเนาะอะไรนะมันอาจจะนิดนึงนะคือให้รู้ทันนะเวลาเราหลงฝึกให้มันรู้ทันบ่อยๆนะฝึกรู้ทันบ่อยๆนะบางทีก็ช้าบ้างบางทีก็เร็วบ้างนะไม่เป็นไรนะนะเราห้ามความคิดไม่ได้เราห้ามความหลงไม่ได้นะแต่สิ่งที่เราฝึกคือฝึกให้รู้ทัน บ่อยๆ <c oughs> คำว่าบ่อยๆอาจจะไม่ใช่ตลอดเวลานะ <c oughs> บ่อยๆก็คือก็ให้มันมากที่สุดเท่าที่ทำได้นะฝ <c oughs> ึกบ่อยๆน <c oughs> เนาะรู้ทันความหลงรู้ทันความคิดบ่อยๆนะฝึกแบบนี้เนาะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็แม้แต่สภาวะที่รู้ตัวเนาะ เราก็อย่าไปแช่ในตัวรู้นะจริงตัวรู้ตัวสตินะ่ะมันแว บ, บเดียวแวบบเดียวนะเร็วกว่ากระพิบตายนะมันแว บ, บเดียวนะถ้าเราไปแช่ตัวรู้เนะี่ยมันเหมือนมันเหมือนเราไปเหมือนพยายามไปประคองไปรักษาไปให้มันรู้นานๆเนาะ ไม่ว่าเราจะไปแช่ในตัวรู้หรือว่าเราคิดว่าเราลังรู้แล้วก็ดูอาการแบบประคองอยู่นนะีะคือการแช่เนะมื่อเราอยากจะดูให้มันละเอียดดูให้มันชัดดูให้มันแบบเหมือนอยากจะหยุด <c oughs> อาการอื่นๆไว้แล้วก็สนใจแต่ปรากฏการณ์นั้นบางทีมันเข้าไปแช่เินไปนะต้องต้องสังเกตตัวนะ ถ้าจริงมันให้มันเป็นธรรมชาตินะให้มันผ่อนทายให้เป็นธรรมด า, ม เ, วาเวลาเวลาเราเคลื่อนไหวถ้าเราฝึกดีๆมันจะเห็นนะเวลาเช่นเรารู้กายเนะี่ยมันเหมือแปบๆบแบบทีละขณะทีละขณะขณะที่เคลื่อนก็รู้อย่างหนึ่งหมายถึงก็เป็นตัวรู้ตัวหนึ่งขณะที่มันหยุดนะก็เป็นตัวรู้ตัวหนึ่งนะขณะที่มัน เคลื่อนใหม่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งขนาดที่มันหยุดนิดนึงก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะมันจะเป็นแบบๆหรือบางทีมันก็อาจจะมีแบบไปรู้อย่างอื่นเช่นบางทีมันก็พิมพ์ตาก็เกิดความรู้มันหายใจนะก็เกิดตัวรู้อนนมันก็จะแทรกไปบ้างตัวรู้จริงๆมันแบบๆสั้นๆนะทีละขนาดสั้นๆไม่ไม่นานนะแต่มันจะรู้สึกเลยว่าเออมันเพราะมันมีเหตุ มันมีเหตุกระตุ้นทำให้เกิดการรู้ใหม่ๆนะเช่นการเคลื่อนนะก็เป็นเหตุทาให้เกิดการรู้การหยุดก็เป็นเหตุทำให้เกิดการรู้นะการกระพิบตานะก็เป็นเหตุให้เกิดการรู้สมทีการหายใจนะก็เป็นเหตุให้เกิดการรู้นะเนี่ยร่างกายร่างกายที่ขยับร่างกายที่หยุดเนะี่ย เออเป็นเหตุให้เกิดการรู้ตัวนะแต่แต่ก่อนเราไม่ค่อยสนใจนะที่เราก็ไม่ได้สนใจเออร่างกายที่มันขยับทํานั่นทํานี่นะไม่ได้สร้างเป็นเหตุให้เกิดความรู้ตัวเราปฏิบัติธรรมเนะี่ยเราเอาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนะี่ยมาเป็นเหตุให้เกิดการรู้ตัวเนะี่ยคือร่างกายนะที่ขยับอวัยวะต่างๆนะไม่ได้ ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะจะเป็นมือจะเป็นขาจะเป็นลมหายใจจะเป็นท้องเนี่ยจะเป็นการกระพริบตาได้ทั้งหมดเลยนะทุกอย่างมีค่าเสมอกันคือมันเกิดการขยับหรือเกิดการหยุดนะในขนาดนั้นนะเกิดการรู้ทันเกิดการรู้ตัวที่ที่ปัจจุบันนะที่ขนาดนั้นนะไม่ใช่เมื่อกี้นะ แล้วก็รู้ว่าเมื่อกี้มันอะไรเนี่ยให้ที่รู้รว่าเมื่อกี้มันอะไรก็ยังไม่ใช่น ะ, <c oughs> ะเวลาเรารู้สึกร่างกายมันไม่ใช่เมื่อเมื่อสักครู่นี้นะแต่มันคือตอนนี้แหละตอนนี้เช่นเวลาเส้นเวลาเราทำในรูปแบบเนี่ยจะชัดเช่นเวลาพริกมือขึ้นแล้วเน่ะเราไม่ใช่รู้ว่ามันพริกมือนะแต่ตอนนี้นสมมติมันหยุดอยู่อะมันรู้สึกที่ ที่ขณาที่มันกำลังหยุดนะไม่ใช่ไปรู้เออพลิกมือเมื่อกี้พิกมือนะคือมันเป็นการไปเหมือนย้อนไปเมื่อสักครู่นี้นะที่มันพิกนะแต่ตอนนี้จริงจริงมันหยุดบางทีใ น, นขณะที่หยุดมันอาจจะมีการขยับนิดหน่อยแล้วก็รู้สึกตรง น, นั้นคือรู้ที่ปัจจุบันของมันนะเออืนะ เวลามันเคลื่อนใหม่เราก็รู้ใหม่หยุดใหม่ก็รู้ใหม่นะทำํำแบบนี้นะเป็นการให้จิตเขาเคยชินในการรู้ทันการเคลื่อนไหวของกายเนาะนะแล้วมันก็จะเป็นจะเรียกว่ามันเป็นเหมือนถ้าจิตใจมันไม่ขยับเขยื้นเคลื่อนไหวไม่มีอะไรเราก็จะเนะี่ยเราก็จะเห็นกายนะบ่อยๆให้เป็นพื้นฐานให้เป็นตัวหลักไว้นะ แล้วเวลามันคิดเวลามันเผลออะไรก็มันจะเป็นการเหมือนแทรกนะแทรกบางทีก็มากบางทีก็น้อยนะคือที่จริงความคิดมันก็เกิดขึ้นบ่อยๆแหละนะแต่บางทีเราก็รู้ทันมันเร็วขึ้นนะบางทีก็กลัวจะรู้ก็านานนะแล้วก็ฝึกรู้ทั้งกายที่เคลื่อนไหวฝึกรู้ทั้งจิตใจที่มันเผลอนะเผลอไปคิด เผอไหลไปกับจริงความเผลอนะั้นมันเผลอที่มันชัดคือความคิดนะแต่บางทีก็จะเผลอเช่นเผลอไปสนใจในสิ่งที่ตาเขามองเห็นเนี่ยนะคือบางทีเคยไม่แบบสะดุดตานะคำ ว, ว่าสะดุดตาบางทีมันสะดุดที่ใจนะตามันกระทบวันนะี้มันสะดุดอืมมองมองจ้องดึกลงไปนะมอง แบบไม่ไปนสนใจอย่างอื่นนะมันสะดุดตาทีสะดุดหูนะคำว่าสะดุดหูเนี่ยไม่ใช่ว่าคำพูดมันมันทำให้คำพูดมันจะหยุด น, นะแต่จริงความคิดความอารมณ์เราไปสะดุดอยู่กับคำพูดเมื่อสักครู่นี้มันไปนสะดุดนะสะดุดกลายเป็นจิตใจเราสะดุดไปคุ้นคิดกับคำพูดนะ ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะมันการสะดุดมันเหมือนคล้ายๆล้าเหมือนเป็นเครื่องเล่นเนาะที่มันสะดุดอะมันก็จะไม่ราบเรียบวานทีเราฟังเช่นเวลาเขาพูดอะไรมมันสะเอ๊ะในใจนะ อ, ะอะไรเนี่ยคือมันสะดุดอะแม้แต่ธรรมะเองก็ต้องระวังบางทีเราฟังแล้วมันสะดุดมันก็ททำให้เราดื้อ ลืมคำพูดหรือไม่สนใจขนาดที่เช่นอาตมากําลังพูดตอนนี้นะมันไปสะดุดกับคําพูดเมื่อสิบวินาทีที่แล้วเนี่ยนะมันก็จะสะดุดให้เราเห็นนะอ่าบางทีเราก็ห้ามไม่ได้หรอกแต่ให้เราเห็นอืมมันเกิดมันเกิดการไปคุ้นคิดนะบางทีมันสะดุดเพราะว่ามันอยากจะเข้าใจนะเอ๊มันมันน่าสงสัยเนาะเลยนะ หรือมันน่าจะคิดวิเคราะห์ต่อเนาะเลยนะหรือมันใช่หรือเปล่าเนียบางทีมันก็จะสะดุดเนาะที่ฟังทำก็ให้เราสังเกตตัวเองนะอืสังเกตใจเรานะ่ะมันสะดุดสะดุดด้วยความอยากรู้ก็ดีสะดุดด้วยความพอใจก็ดีสะดุดด้วยความสงสัยความไม่พอใจก็ดีนะให้เราสังเกตคือเราห้าม ห้ามให้มันไม่สงสัยห้ามให้มันไม่เอกใจไม่ชอบใจหรือให้ห้ามให้มันชอบใจไม่ได้เนาะแต่ให้เราเห็นมันอืมมันเกิดสภาวะไว้แบบนี้นะถ้าเราฟังแบบนี้ได้อืมเราจะฟีฟังทำจากใครเทศอะไรก็แล้วแต่นะคำเทศน่ะไม่สำคัญเท่ากับอาการของเราขณะที่ฟังอะ่ะเราเห็นหรือเปล่า บางคนฟังทำเนาะทั้งวันทั้งคืนนะเปิดไปอะเปิดเพลนผ่านไปแต่ถ้าเราไม่สังเกตดูตัวเองมันก็จะได้ประโยชน์น้อยอาจจะรู้ว่าครูบาอาจารย์พูดอะไรนะจับประเด็นสิ่งที่ท่านพูดได้ถ้าฟังบ่อยๆแต่ฟังทำถ้าจะดีจริงคือเราจะสังเกตเห็นนะไปในจิตใจของเราว่ามันรู้สึกอย่างไรนะเกิด เกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกเกิดความพอใจไม่พอใจอย่างไรถ้าเราเห็นน่ะเนี่ยคือเราได้เราได้ฟังธรรมเนาะวมันเห็นสภาวะธรรมอย่างจริงก็ดูเห็นที่ว่าดูก็เห็นถ้าดูจริงๆรินะจะเห็นสภาวะธรรมมันเปลี่ยนแต่ถ้าเราปิดไปแช่ไปอยู่วมันจะทําให้เราไป จมกับตรงนั้นใช่เวลามันเอะใจสงสัยเยนะี่ยมันทีมันจะมันทีมันจะเกิดความเคยชินในการที่จะพยายามคิดให้เข้าใจเลยเนาะอืมอมืคิดว่าเมื่อไหร่จะถามดีเยนะนี่สมม่งมาจะทําให้เราไปอยู่กับไปอยู่กับอดีตนะไปจมไปแช่มันนี่คือสิ่งที่สาคัญนะอย่างที่ว่าคือคันเข้าไปแช่เข้าไปสะดุดในอารมณ์ไม่ว่าจะเป็น สภาวะที่มันสงสัยสมาภาวะที่มันชอบใจสภาวะที่มันไม่ชอบใจหรืออย่างที่ว่าแม้แต่สภาวะที่รู้เองก็ อ, อย่าไปแช่มันให้เห็นมันนะพอเห็นแนละ้วมันจะเหมือนตื่นออกมาตื่นออกมามันก็จะตื่นที่ลักคนะมันจะไม่ติดทั้งความหลงไม่ติดทั้งความรู้นะะสติจริงเนะี่ยไม่ไม่ติดทั้งสองฝั่งนะ หลงก็ไม่ติดรู้ก็ไม่ติดเห็นเป็นเพียงแค่อาการเป็นเพียงแค่สาภาวะนะเราก็จะเกิดมันจะเกิดความรู้สึกตัวที่มันเป็นเป็นอิสระนะเป็นความรู้สึกตัวที่ไม่ต้องประคองไม่ต้องรักษานะแต่จริงก็ไม่ใช่ทำลายเด้อนะมันก็เป็นอาการทีละขณะนะ แล้วมันก็เห็นบ่อยๆไปของมันนะล่ะมันก็จะเกิดการเรียกว่าปัญญานะมันก็จะเกิดการมันเหมือนจิตนะจิตมันสะสมปัญญาของมันนะคําว่าสะสมในที่นี้ไม่ใช่แปลว่าเหมือนจะลืมไม่ได้จะหายไม่ได้นะอย่าไปคิดว่าแบบบางทีเราคิดว่าเฮ้ยเรารู้อะไรเหมือนถ้าเราจดไว้มันจะจําได้ไหมเนี้่ะจะได้ไม่หายนะแต่จริงปัญญาจริงนะหายก็ได้ แท้ต้าเลยใช่ลามันปฏิบัติทำแล้วมันเกิดฟิงอะไรขึ้นมาดูอะไรขึ้นมาแล้วบางทีเราเกิดบางทีคนบางคนก็จะต้องจดไว้นะต้องพยายามคิดจําไว้นะต้องทวนไว้บ่อยๆมันเป็นปัญญาแบบอันนั้นปัญญาแบบความจําสัญญานะไม่ใช่ปัญญาจริงปัญญาจริงๆเนะี่ยเห็นว่าเออมันไม่เที่ยงนะเออมันดูแบบนี้ละเออ ถ้ามันจะหายก็หายก็เรื่องของมันไม่เป็นไรหายก็ยอมรับได้ไม่ไม่ต้องคิดให้มันออกก็ได้นะคือใจมันกล้านะจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร <c oughs> อันนัะคือมันจะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้สำคัญอะไรหรอกเพราะสำคัญจริงๆคือเรายอมรับได้ทั้งความจำหรือความลืมนะ ไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติแล้วเราจะต้องความจำดีนะต้องไม่ลืมต้องอะไรต่างๆลืมก็แค่รู้สึกว่าลืมนะ่ะใจค่อยไม่ได้เสียไปด้วยจำได้ก็ไม่ใช่ว่าจะหลงว่าเออเราเก่งเราดีอะไรก็แค่อาการของมันนี่คือจิตที่มันจิตเป็นกลางจริงๆคือเป็นกลางกับสภาวะที่ ถ้าสมมติก็เรียกว่าดีหรือไม่ดีอะไรมันเนานะอืมอ่มันก็เป็นอะไรก็ได้นะอจิตเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าอะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นนะก็แค่รู้นะรู้ว่ามันเกิดขึ้นนะยอมรับในอาการที่มันเกิดขึ้นนะไม่ไปติดในอาการนั้นเนะค่นีะมันก็จะเห็นอาการมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะผ่านมาผ่านไปนะอะผ่านมาผ่านไป ก็สนุกดีนสนุกในการเห็นอาการมันผ่านอืมผ่านมาผ่านไปนะอืมนะก็ดูแบบนี้นะนา่าดูเพราะที่จริงเราจะทําอะไรนะมันก็อาการของกายก็ดีนะอาการของใจก็ดีนะมันก็เพียงแค่เกิดขึ้นอยู่ชั่วขนานึงนะแล้วก็เกิดอาการใหม่เกิดอาการใหม่นะ ที่จริงอาการของกายและอาการของใจเนะี่ยมันเกิดซ้อนกันนะมันเกิดมันเกิดพร้อมกันตายเวทนาจิตธรรมจะพูดวันนี้ก็ได้นะสี่อาการเนี่ยนะนะเกิดขึ้นพร้อมกันแต่ตัวรู้มันรู้ได้ทีละอันนะถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับมีปิทยุนะคืนวิทยุสี่ช่องนะเปิดตลอดยีิบสี่ชั่วโมงอยู่แต่ตอนนั้นมันเรา จิตมันจะหมุนไปรับช่องไหนก็แค่นั่นเองอืมแต่ถ้าคนส่วนใหญ่อ่ะมันเหมือนคล้ายๆจิตนะ่ะมันหมุนไม่ถูกสี่ช่องเนี้ยอ่ามันหนงไปกับช่องอื่นที่อ่ช่องที่มันไหลไปนะอย่างอื่นแต่จริงการรู้นะ่ะมันเหมือนสี่อย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาละแต่ตัวรู้นะ่ะมันรู้ได้ทีละทีละขณะนะแต่บางทีก็เปลี่ยนเร็วมากนะ เปลี่ยนเร็วมากนะอ่ามันก็เปลี่ยนความันไปเรื่อยของมันรู้อะไรก็ได้นะไม่สำคัญสำคัญว่ารู้อย่างไรนะรู้อะไรเนี่ยที่จริงไม่ได้สำคัญสำคัญว่ารู้อย่างไรรู้ด้วยความเป็นกลางรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้แบบซื่อๆเฉยๆนะนะไม่เปิดครองไม่ต้องไปจัดการ ไม่ต้องไปบังคับอะไรเนะี่ยรู้ตัวเนี้ยรู้สำคัญนะแต่บางทีก็เผลอไปบ้างหลงไปบ้างทำอะไรบ้างก็ให้เราสังเกตตัวเองนะมันจะค่อยเกิดการปรับเกิดการเปลี่ยนนะนก็ฝากไว้เดี๋ยวเราไปทานอาหารกันก่อนเ น, ะนาะอาพักกัน